ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่่มประพุทยาณกำลังนำเสนอถึงพระดำริของพระพุทธเจ้าที่ทรงจำแนกแยกแยะคนในโลกออกไปเป็นหลายประเภทด้วยกันโดยเริ่มต้นจากมีทุลีคือกิเลสใน จักษุคือดวงตาปัญญาน้อยก็มีมีทุลีคือกิเลสในจักษุมากก็มีมีนิสัยแก่กล้าก็มีมีนิสัยอ่อนก็มีมีอาการดีก็มีมีอาการซ้ำก็มีที่สามารถสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มีสอนให้รู้ได้โดยยากก็มี แล้วคนบางคนนั้นมีพื้นอัทยาศัยที่เห็นโทษของการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏก็หมายความว่าเห็นภัยในวัตสงสารอยู่แล้วที่ในการประมาเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าภิกษุถึงว่าที่จริงยุคสมัยตรงนั้นก็มีนักบวชประเภทภิกษุอยู่ แต่ว่าจะมีความหมายเป็นในทางผู้เที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวหรือผู้เที่ยวไปเพื่ออาหารเป็นนักบวชประเภทเทวพิขาจารคือบินทบาทเพราะเมื่อเรานามาใช้ในความหมายตามพระพุทธศาสนาก็เอาทั้งสองความหมายความหมายหนึ่งก็เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ พยายามที่จะทำตนให้หลุดรอดจากสังสารทุกข์ในขณะเดียวกันการครองชีวิตก็เป็นอนาคาริกคือไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านเกอดเป็นที่อยู่อาศัยลักษณะดั้งเดิมจริงๆก็เป็นเหมือนนกกะิ้นเดืองอ่อนก็คำไหนก็นอนนั่นเหมือนจึงเรียกว่าเป็นทุผู้เที่ยวไปเพื่อพิคขาจารย์ คือเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวที่ชาวบ้านก็จะให้โดยศรัทธาแต่รูปแบบในการเที่ยวบินทบาตไม่เหมือนกันคือภิกษุในอดีตก่อนพุทธกาลนั้นเขาจะยื่นมือคือยื่นมือที่ถือพาชนะออกไปก็เป็นการบ่งบอกถึงการขออาหาร แต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นคืออุ้มบาทเดินไปเฉยๆใครมีศรัทธาต้องการจะทำบุญก็ทำไม่มีศรัทธาก็แล้วไปวลภาษาไทยจึงใช้คำว่าพระมาโปรดสัตว์คือหมายความว่ามาเปิดโอกาสให้ทำบุญจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ก็จะทำก็ได้บุญของเขาเขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้ เราเองก็ไม่ได้นะฮะแต่ก็ได้ก็ต้องมีคนทําจนได้ทีนี้ในที่สุดก็ทรงพิจารณาเปรียบเทียบกับคนเหมือนก็ดอกบัวก็ค่อนข้างแปลกนะะเรื่องดอกบัวเนี่ยเพราะถ้าเราเรียนเราดูจากหนังสือที่เราเรียนเรียนม า, าตั้งแต่เป็นเด็กก็รู้กันว่าทรงอุปมาเป็นดอกบัวสีเหล่า แต่เราดูในพระบาลีจริงๆมันมีอยู่สามเรามอยู่สามั้งไม่จะสี่ปัญหาว่าทำไมจึงมีสามแล้วก็มีสี่สี่ผิดหรือเปล่าก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าทรงแสดงประเภทของบุคคลไว้สี่ประเภทเพราะนั้นเวลาท่านเทียบเคียงเนี่ยท่านไปเทียบเคียงกับบุคคลสี่ประเภทเหล่านั้น คือไม่ได้เอายกข้อความที่พระเจ้าทรงพระดำรีเองแล้วก็เนื้อหาสาระก็เป็นทํานองเดียวกันเพียงแต่ว่าไปย่อยกลุ่มกลุ่มสุดท้ายเอาไว้ก็จะเรียกว่าเป็นพักษาของปลาและเต่าซึ่งในพระบาลีเองก็ไม่ได้พูดถึงถึงเ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อดอกบัวชนิดนั้นน่ะ น, นะ ชนิดที่เป็นอาหารของปลาและเต่าในทีจำพวกนั้นก็ทรงจำแนกว่าอุกติกันอยู่คือผู้ที่อาจรู้ธรรมเพียงยกหัวข้อขึ้นแสดงตัวนี้เรียกว่าบารมีแก่กลาก้าคล้ายๆกับฝีที่กลัดหนองรอคอยการบ่งด้วยนามเกิดแต่นิดเดียวหนองก็ทะลุตะลักออกมาแล้ว เราจะพบว่าไม่น่าเชื่อสมมติคนบางคนอย่างเช่นภาษาดิบุตรปราศจิกล่าวคาถาแค่สองบรรทัดเท่านั้นเองก็บรรลุมรคผลแล้วพระโมคคัลลานะภาษาดิบุตรนํามาบอกตามที่เรียนมาจากปราศจิกฟังแล้วก็บรรลุมรคผลแล้วคือแสดงว่าบารมีก็แก่กล้ามาก แต่ถ้าดูถึงอาการลดของกิเลสคือโรคปลดหลงก็่านเหล่านี้ก็ลดไปมา ก, ก น, นะลดไปถึงไม่กำหนัดเพลิดเพลินยินดีในทรัพสมบัติไม่ต้องการแสวงหาความสุขอย่างลูกผู้ดีมีสกุลทั้งหลายภาษาธิบุตรกับพระโมคคัลลานะนั้นท่านบอกไว้ว่าครอบครัวเนี่ยมีทรัพสมบัติถึง 6กร้อยห้าสิบกูดกูดหนึ่งสิบล้านนะฮะแล้วก็สิบล้านกหาปณะเรานึกดูว่ารวยขนาดไหนแต่ว่าจิตใจของท่านกลับไม่ยินดีไม่พอใจไม่สยบติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็แสดงว่าปัญญาก็มีมากเพราะท่านสามารถวินิจฉัยคำสอนก็สัญชัยปริภาโชคโดยการคข้าไึกษาไม่กี่วันบไร้าสาระ แล้วก็สามารถวินิจัยคำกล่าวของรัชชิเพงสองบรรทัดจนบรรุมักผลเป็นประสดตบัรนันบุคคลประเภทนี้ก็เป็นบุคคลประเภทพิศเศษที่หาได้ยากแต่ยัาลืมว่าการอาศัยโครงสร้างทรงนี้เป็นโครงสร้างแม่บท ที่พระเจาทงชชยไปในกรณีของการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้รับผลของธรรมแต่ถ้าเรามองให้ดีว่าเป็นโครงสร้างเป็นบล็อกคล้ายๆกับเป็นบล็อกสมเ็จรูปคือนาไปจับกับอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดเรื่องการบรรลุมรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวในข้อที่สองนั้นเรียกว่าวิปจิตัญอยู่ คือจะต้องมีการอธิบายขยายข้อความออกไปให้วิจิตพิสดารแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรเราจึงเห็นพระสูตรบางพระสูตรเนี่ยค่อนข้างยาวแล้วอธิบายเน้นย้ำซ้ำซากเพื่อสุขคิดเพื่อได้คิดจนเกิดญาณความรู้เห็นตามค้อยตามแล้วละ ก, กิเลสลงไป ผ้หนึ่งเรียกว่าเนยยะคือพอแนะนำพร่ำสอนจำจี้จำชัยกันไปก็ใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายๆปีแต่ในที่ถูกทั้งก็จับหลักอะไรได้สักอย่างคือไปได้ระดับใดระดับหนึ่งแล้วผู้สุดท้ายก็เป็นปับประมะแปล ว, ว่ามีบทเป็นอย่างยิ่ง คือบางทีเนี่ยเหมือนกับเอาน้ำรถหัวสากมันไม่ซึมพูดแล้วพูดอีกจำจี้จำชัยเตือนแล้วเตือนอีกห้ามแล้วห้ามอีกปากเปียกปากแช่อยู่นั้นน่ะแต่ก็ไม่ยอมรู้เรื่องไม่ยอมรับรู้คนประเภทนี้จำเป็นจะต้องอิงอาศัยสังคมคนอื่นต้องเข้าช่วยเหลือแล้วก็ต้องรอคอยเวลาพอสมควร เดี๋ยวน้อยก็ให้ท่านจับอะไรได้สักอย่างพอจะพึ่งพาตัวเองได้ที่แนวตรงนี้เป็นแนวปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นในลักษณะที่เข้าใจเขาอย่างท่องแท้ชัดเจนและเราก็ยอมรับถึงสถานภาพของเขา คือถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็งานเราแกา้กลายเป็นงานท้าทายท้าทายสติปัญญาของเรานะไม่ใช่ท้าทายสติปัญญาของเข า, าเราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนสี่ประเภทนี้ได้ไหมแล้วไม่ใช่เรื่องเดียวนะยกตัวอย่างง่ายๆลองสังเกตว่าคนไทยเราด้วยกันคนไทยเราด้วยกันเช่นสมมุติว่าพูดภาษาถิ่นกัน คือคนภาคกลางเนี่ยฟังภาษาถิ่นอื่นไม่ค่อยได้หรอกเช่นว่าฟังฟังฟังภาษาอีสานฟังภาษาเหนือฟังภาษาใต้เนี่ยมันก็ได้โดยเชื่อไหมว่าคนอีสานนะคนใต้เนี่ยเขาอยู่กันไม่กี่วันนะเขาพูดกันรู้เรื่องเลยคนใต้จะพูดอีสานโดยคนฟังไม่ออกว่าเป็นอีสานคนอีสานก็ไปอยู่พักเดียวเขาพูดใต้จนไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใต้เขาเป็นอีสาน เพราะถ้าพูดกันในด้านภาษาเราก็สามารถจะแบ่งคนออกเป็นสี่ระดับได้เหมือนกันเช่นสมมติว่าคนภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือไปฟังภาษาอีสานกันพวกเหนือนี่จะเข้าใจได้เร็วกว่ารองลงมาก็คือพวกภาคใต้รองลงมาก็คือภาคกลางนั่นก็แสดงองเห็นว่ามันก็แบ่งเป็นสามระดับ ระดับที่ฟังได้เร็วแล้วคนที่ฟังได้เร็วที่สุดก็คือคนอีสานฟังภาษาอีสานเขาก็เข้าใจเข้าใจได้เร็วรองลงมาก็เป็นภาคเหนือรองลงมาเป็นภาคใต้รองลงมาก็เป็นภาคกลางเห็นไหมมันก็แบ่งออกมาเป็นสี่ระดับเหมือนกันทีนี้สมมติเราให้คนทํางานเราคนทํางานว่าคนบางคนเนี่ยเขามีความจานิสธรรมานอยู่เราอาจจะใช้คําเดียว เช่นสมมติว่าไปทาน้าพริกมาให้หน่อยเขาก็ทามาได้เลยแต่บางคนเนี่ยมันอาจจะเคยกินแต่ว่าไม่เคยทำเราก็นำมาอธิบายไะหน่อยนะหรือเขาเคยทำแต่ว่าทําไม่บ่อยนะักอธิบายไม่เท่าไหร่เขาก็ทำได้คนอีกประพวกหนึ่งก็เคยกินแต่ไม่เคยทำมันก็ต้องว่ากันนานหน่อย ต้องอธิบายต้องทดลองต้องสอนใควก็ทำได้นะแต่คนบางคนเนี่ยอาจจะต้องฝึกปรือวิธีกันแล้วในที่สุดมันก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าเอาเท่าได้แลยสมบพคนนี้มันเอาเท่าที่จะเอาได้แล้วความจำนี้จำนาญในเรื่องอื่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเรามองคนถึงนึกถึงคนสี่ประเภทเนี้ย เราจะสัมพันธ์กับคนทั้งหลายอย่างรู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่ไปคาดหวังไปทุกเรื่องว่าจะต้องเก่งคือมันมันมีใครเก่งทุกเรื่องอย่าลืมว่าที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายนั้นคือเก่งในด้านที่จะรู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะได้จนหลุดพ้นจากกำนาจกิเลสเรือ้อรังนั้นเป็นเกณฑ์ของพระองค์ ก็กลายเป็นบุคคลสี่ประเภทแต่เกณฑ์ตงเนี้เราเอามาเป็นบล็อกมาคิดเรื่องอื่นมาคิดเรองการสอนนักเรียนเช่นสมมติเราสอนวิชาธรรมะกับนักเรียนนเดียนก็ออกมาสีปา่ประเภทดีค่ะประเภทหนึ่งพูดหน่อยเดียวเข้าใจได้ประเภทหนึ่งต้องอธิบายขยายความถึงจะเข้าใจประเภทที่สามก็ต้องยกตัวอย่างยกนิทานอุปมานามาไปดูสถานที่ต่าง ประเภทที่สี่อาจจะต้องใช้สารพัดวิธีก็อาจจะไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันจะต้องได้ในระดับที่ลดหลั่นลงมาเขาก็สามารถได้ประโยชน์จากการเรียนในเรื่องนั้นๆได้แล้ววิชาเหล่านั้นสมมติว่าเด็กคนหนึ่งกเก่งวิชาระวศาสนายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเก่งคณิตศาสตร์ พอคณิตสมันก็อีกอะมันก็แบ่งออกเป็นสี่ประเภทอีกพอเปลี่ยนจากคณิตศาสตร์มาเป็นโบราณคดีไอ้พวกเก่งในเรื่องคณิตศาสตร์อาจจะไม่เก่งโบราณคดีก็ได้และพวกพวกที่ที่ไม่เกง่งไม่เกง่งคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะเก่งโบราณคดีก็ได้บางคนคนของเราเนี่ยเอาข้อจริงแล้วทําให้เราเข้าใจคน เขาจะคน่าคนเหล่านี้จะทำอย่างไงเขาจะได้ประโยชน์เพราะการสอนหรือการบริหารงานบุคคลมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันการเป็นครูสอนนักเรียนการเป็นคูบังคับบัญชาในระดับต่างๆในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านตลอดทั้งเป็นวัดวารามเนี่ยคือถ้าเรามองให้ดีแล้วว่าบุคคลสี่ประเภทนี้เป็น โครงสร้างสําเร็จรูปเป็นบล็อกสําเร็จรูปที่รเราเปลี่ยนรเราเปลี่ยนเรื่องก็ได้เช่นสมมติว่าจะชวนคนมาทํางานที่เกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับปูนเกี่ยวกับเหล็กให้เก่งทุกอย่างเนี่ยหายากเพราะใครจะเก่งในทางไหนก็มอบหมายเข้าไปในทางนั้น ซึ่งคนที่เก่งงานไม้อาจจะแย่ในเรื่องงานเหล็กก็ทำอะไรไม่เป็นเลยก็ได้ก็ทําให้มองเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ได้โจะจงว่าต้องมีอยู่สมัยพุทธกาลแล้วก็มีอยู่เฉพาะเรื่องที่จะสอนธรรมะเท่านั้นแต่ว่าเราไม่ค่อยยอมรับความจํากัดคือเขาเป็นได้เท่าที่เขาเป็นได้นะ บางทีก็คาดหวังไว้มากเกินไปยกตัวอย่างว่าพ่อแม่ต้องการใจลูกเรียนในสิ่งที่ตัวอยากให้ลูกเรียนแต่ลูกเรียนลูกแคอยากจะเรียนในสิ่งที่แคอยากเรียนถ้าแกได้เรียนสิ่งที่แคอยากเรียนแกไปได้เร็วเป็นบุคคลประเภทแรกเลยําไปแต่พอดีไปให้เรียนในสิ่งที่แกไม่ถนัดแกไม่มีพื้นฐานแกไม่มีฉันทะวิทยาก็ไม่เกิดจิตตาก็ไม่เกิดวิมังสาก็ไม่เกิดมันจะขับเคลื่อนไปได้อย่างนี้ ปั้นมาไม่ถึงสมมติว่าเราจะนำเรื่องตรงนี้ไปบริหารงานบุคคลคือมอบหมายตำแหนะ่งหน้าที่งานให้คนคนมันก็มีศักยภาพในสายของเขาเองางานนี้เราจะใช้ใครละ่ะคนไม่ใช่อเอกประสงค์ไม่ใช่ไปทำได้ทุกงานแต่ก็มีคนทำงานได้ดีกว่าหรือถ้าเราเอาหลักตรงนี้ไปจับ การใช้งานหรือมอบหมายคนไปทำงานของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นชัดเจนนะว่าเมื่อระสาวกจเจริญมากขึ้นมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในที่นั้นๆเนี่ยพระเจ้าจะเปลี่ยนภาษาวกที่ส่งไปส่งไปให้รับผิดชอบในงานเหล่านั้น คนบางคนในหยาบกร้านมีความทารุณโหดร้ายดูเดือดเลือดพล่านมันก็ต้องส่งพระโมคคัลลานะไปไป จ, จัดการในคนเหล่านั้นคนบางคนเป็นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่เชื่อมั่นในสติปัญญาความรอบรู้ของตัวเองท้าทายชมพูทวีไปมาโต้วาฏทะกันตูคนพวกนี้ทำไมพระพุทธเจ้าเองก็ต้องประสานิบุตรเอาคนอื่นไปไม่ได้ แต่บางครั้งบางคราวก็เป็นผู้ ด, ดีเป็นเจ้าขุนมนนายเป็นพระราชามากาัตร์มันเป็นจริยาวัดมันเป็นเขาเรียกมายาของกษัตริย์ที่อยู่ในแวปุงราชวงศ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะรู้กันว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไงเป็นความเหมาะความควรจะยืนจะเดินจะนั่งอย่างไงจะมองอะไรไม่มองอะไรใช้ยาบทอย่างไรนี่เป็นเรื่องใหญ่ก็ส่งพระอานนท์ไป มีปัญหาขัดแย้งเรื่องพระวินัยหาข้อยุติไม่ได้ก็ส่งพระุบาลีไปเห็นไหมว่าคือท่านเราเนี่ยเหมาะสมในกรณีนั้ น, น, นแต่ว่าในกรณีอื่นท่านอาจจะไม่ถนัดก็ได้แล้วที่หน้าที่หน้าครึ่งเนี่ยเราดูตัวอย่างการบริหารงานบุคคลของ พระรามคือถ้าเราเอารามเกียร์มาอ่านศึกษาในลักษณะภาวะผู้นำของพระรามเราจะเห็นว่าเก่งมากเป็นคนที่ใช้คนได้ดีมากแล้วก็มีอำนาจวาสนาบารมีแล้วก็มีวิจารณญาณข้อมูลไม่คลาดเคลื่อนข้อมูลชัดเจนมาก ตนการศึกษาถึงภูมิหลังของแม่ทัพฝ่ายตรงกันข้ามแต่ละคนเนี่ยรู้ละเอียดหมดมีจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ตรงไหนลูกเต้ารอใครในรู้หมดแล้จะวางแผนยังไงจะให้ใครเป็นคนดำเนินยังไงแล้วเราจะเห็นว่าเปลี่ยนไปในหมู่ไอ้เสนาวานอนทั้งสิบแปดมงกุฎแล้วประสบความสำเร็จ ทรงสั่งงานไปแล้วก็วางพระไทยเลยสเสด็จข้าวบัญชีเลยไม่ว่าไม่ว่างงานอะไรก็ตามไม่ลองตังเกตนะพระราม์ั่งเสร็จสเสด็จข้าวบัญชีเลยแล้วก็ไม่ใช่รายงานแต่ว่าพวกนั้นจะกลับมารายงานประสบความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนั้นตอนแต่ละอบล็อกตรงเนี้ยเข้าไปคิดคิดไปเรื่อยอะไรก็ตามมาเกี่ยวข้องกับคนเนี้ย เช่นสมมติเรายืนสอนหนังสือหน้าชั้นเนี่ยในชั้นนั้นเนี่ยมันมีคนทุกระดับแล้วมีคนทั้งสี่ประเภทนั่นแหละเพราะงั้นวิธีสอนจะใช้แนวใดแนวหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยมันไม่ได้เก็สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนไปด้วยแล้วก็ซักถามไปด้วยบางกรา บ, บางคราวเรื่องเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องอธิบายในตัวเนื้อหาวิชาอธิบายไปแล้วนี่คนกลุ่มหนึ่งเข้าใจ ก็ต้องยกตัวอย่างชี้เขียงเพื่อเกิดความเข้าใจคนกลุ่มหนึ่งก็เข้าใจต่อมาก็ต้องยกนิทานชีตัวอย่างบุคคลหรือทำอะไรให้ดูคนกลุ่มหนึ่งก็เข้าใจคนกลุ่มหนึ่งอาจจะต้องเพาะเชื้อเอาไว้ให้จับหลักอะไรให้ได้สักอย่างไว้ก่อนเพราะจ้าจำจี้จำชัยอยู่กับคนกลุ่มเล็ก กลุ่มกลุ่มล่างสุดกลุ่มเดียวเนี่ยและคนกลุ่มแรกเขาจะเบื่อหน่ายจนอย่างเวลานี้เราจะเห็นว่าเราจะแยกนักเรียนไปตามระดับดับปุถีภาวะของเธอเหล่านั้นระดับไอคิวระดับอะไรก็แล้วแต่จะแบ่งกันนะเพื่อสะดวกแก่การสอนแต่ว่าไม่ค่อยท้าทายนะครับเพราะครูจะพลิกแปลงไม่เป็นคือสอนไปตาม รับว่าเออนี่สอนเด็กฉลาดเด็กเด็กฉลาดเด็กพิเศษนะเป็นอัริยะก็ว่ากันไม่ค่อยจะวิจิตพิสดารอะไรนะบางทีเราก็พูดนิดเดียวเด็กก็เข้าใจแด้และครูเลยกล า, กายเป็นพี่เลี้ยงก็ซึ่งก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันที่จริงก็ช่วยเสริมกัน จะทำให้เด็กที่ฉลาดปรัดเปลีอยงนั้นก็อาจจะมาอธิบายชี้แจงความเข้าใจมันเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นเพื่อนที่ไม่เข้าใจให้พยายามที่จะทำให้ได้อย่างเขาบ้างมันเกิดการแข่งขันเกิดความเพียรพยายามก็เป็นแรงผลักดันก็เสริมัตตาขึ้นมามันก็ใช้ประโยชน์ได้ แนวธรรมะในกลุ่มแนวตรงนี้เราจะเจอเยอะนะฮะมันมันลักษณะเป็นบล็อกสาเร็จรูปตลอดไม่ใช้ใชเฉพาะเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้เรื่องนั้นแต่ว่าไม่ได้ใช้เรื่องเดียวถ้าเราไปดูในกรณีอื่นเนี่ยจะเห็นว่าแนวโครงสร้างตรงนี้แต่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดอุกติตันยไปิจิตตันยูปนยาปฐาปาระมะหรือไมไ่พูดเรื่องดอกบัวเพราะว่า มันเป็นพระญาติก็เรียกว่าเป็นเจตุปริญาเคือรู้ใจถ่ายใจเข้าใจคนมองทะลุปลุกปรงไปหมดและจะวางอย่างไงจะแสดงอย่างไงแล้วเขาจะรับผลประโยชน์อย่างไงก็ทรงแสดงไปโดยวิธีนั้ น, น, นเพราะแนวดอกบัวดอกบัวที่ทรงแสดงตรงนี้นะฮะไม่จะตี ก็ส่งแสดงแค่สามดอกแต่ว่าที่เราพูดถึงดอกบัวสี่ดอกและดอกบัวประเภทเป็นพักษาของปลาและเต่าในพระคัมภีร์ไม่มีในมาว่าแข่งพระวินัยเนี่ยไม่มีแต่ก็อาจจะมีในที่อื่นแต่ถ้าหนังสือระดับพระบาลีเนะี่ยยังไม่เจอนะยังไม่เจอโดยเจอแต่สามมันก็อาจจะอ่านผสมกลมกลืนไปแล้วเราก็ ไปทึกทักเอาตามที่เราได้อ่านในหนังสือพุทธประวัติพุทธประวัตินั้นก็อธิบายจากบุคคลสี่นั้นดีการาเลครับท่นฟังทั้งหลายแต่รวมพระบทยาใน ว, วันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง อ, อกงามไปบู์ในธรรมสงมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทถิวกันสวัสดี